เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆก็ด้วยหลายๆเหตุผลเนี่ยนะมันก็มันก็เคารพนะแต่ว่ามันก็อดค้านไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะนะก็เลยค้านไว้ก่อนนะบอกว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยาที่ทําได้ยากอย่างนั้นแม้ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเช่นนั้นน่ะ ด้วยทุกขระ ก, กิริยาทําได้ยากเหลือเกินท่านก็ยังไม่บรรลอุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างพิเศษอย่างสามารถขณะท่านทําอย่างนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยไม่ได้บรรลุมักผลนิพพานแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ฌานนะคือไม่ได้บรรลุมักผลนิพพานอะไรก็บัด น, นี้พระองค์เป็นผู้มกักมากเวียนกลับมาบริโภคปัจจัยสี่ตามเดิม คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆก็เหมือนก็มาสั่งสมปัจจัย4ี่ตามเดิมเนี่ยนะฉนัยจักบรรลุอุตตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้แล้วขนาดว่าอดอาหารขนาดนั้นทําแหมกลั้นลมหายใจเป็นต้นทําได้ยากขนาดนั้นยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานกลับมาฉันอาหารนั่งสบายๆมันจะบรรลุได้ยังไงว่างั้น เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากๆตถาคตไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตรงนี้ก็ปฏิเสธว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลตรัสรู้อริยสัจเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะอันนี้เนี่ยโลกุตระธรรมนี้เป็นธรรมะของคนมักน้อยเป็นธรรมะของคนสันโดษ คือโลกุตตรธรรมอันเนี้ยนะเป็นธรรมะของคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเป็นธรรมะของผู้ที่ปรารบความเทียนมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ที่น้อมไปเพื่อบรรลุพระนิพพานพันพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนมักมากคือพระองค์ไม่มักมากพระองค์เป็นผู้ที่มักน้อยพระองค์เป็นผู้ที่สันโดษตรงนี้ก็ยกมาสองตัวอย่างว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนมักมากนะพระองค์ไม่ใช่เป็นคน ไม่สันโดษไม่ใช่เป็นคนที่เกียจคร้านไม่ใช่เป็นคนที่มีสติหลงลืมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาพระองค์ไม่ใช่ไม่ปรารถนาพระนิพพานไม่ใช่พระองค์จึงไม่ใช่เป็นคนมักมากไม่ได้คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากดูกันที่สูทั้งหลายตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เห็นลักษณะที่ทองแท้ เป็นผ้าอรหันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะก็คือเราเป็นผู้สเสด็จมาอย่างนั้นผู้สเสด็จไปอย่างนั้นตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้เช่นนั้นเป็นผ้าอรหันต์คือกำจัดค่าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารวัชรไม่มีความลับในการทำบาปผู้ควรแก่ปัจจัยสี่บัดนี้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะ พวกเธอจงเงี่ยโสดศักดิ์เราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทําให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ก็รับรองนะขอให้ฟัง ให้ฟังให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามจะได้รับผลอย่างนั้นจริงๆแม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านค้านอีกนะที่ค้านเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคนที่เคยปักใจเชื่อเต็มที่ใช่ไหมเคยปักใจตอนแรกเนี่ยปักใจเชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าพระสิทธะเนี่ยนะหรือเจ้าชายสิทธะเนี่ย ท่านทําทุกขรกิริยาท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นอยู่ตลอดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยหันมาบริโภคปัจจัยสี่เข้ามาฉันมานุ่งมาห่มแบบเรียกว่าแบบปกติสะทั่วไปเนี่ยนะ ท, ที่ใช้อาหารส ป, ปายะเป็นต้นเนี่ยนะอิริยาบถส ป, ปายะเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าหันกลับมาเน้นถือเรื่องเอาส ป, ปายะเป็นต้นเป็นประมาณถือเอาการเจริญปัญญาเป็นหลักเนี่ยก็บอกว่ามันก็ มันก็ถอดใจสิมันปฏิเสธมันคัดค้านไปเลยมันไม่เชื่อคนเรานี่ถ้าลองไม่เชื่อแล้วเนี่ยนะใครจะมาพูดยังไงมันก็ไม่เอาเนี่ยนะมันก็พูดยังไงมันก็ไม่เอามันขนาดก็เรียกว่ายืนยันรับรองด้วยตัวของพระองค์เองก็ยังค้านมันก็ค้านพระองค์ก็แก้แม้แต่ครั้งที่สองค้านครั้งที่สองพระองค์ก็แก้เป็นครั้งที่สองว่าไม่ใช่คนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆพระองค์ก็อธิบายว่าปฏิบัติตามนะไม่นานจะบรรลุ แม้ครั้งที่สามปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยาคือข้อประพฤติ ท, ที่ทําด้วยความยากนั้นแม้ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านั้นแม้ด้วยทุกขรกิริยานั้นพระองค์ยังไม่ได้บรรลุอุตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์จะเป็นผู้มกักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆ เมื่อมากๆอย่างนี้ไฉนจากบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์ทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่กาลนี้คาประเภทนี้เคยพูดบ้างไหมบอกไม่เคยพระปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าไม่เคยได้ฟังคํานี้เลย ซึ่งก็เชื่ออยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนที่พูดคําไหนต้องเป็นคําดัน้นพูดแต่คําจริงอย่างเดียวเนี่ยนะด้วยลักษณะของพระพุทธเจ้ามูสาไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนที่โกหกเป็นว่าคนลักษณะแบบนี้มูสาไม่ได้ตามตําราเรียกว่าตํารามหาบุริสลักษณะเนี่ยบอกอย่างนั้นเลยว่าคนอย่างนี้มูสาไม่เป็นเขารู้กันเขาเชื่อกันเลยเนี่ยอย่างพราหมณ์หลายคนเนี่ยที่เขาเขาสอบถามตัญหาดูหน้าแหละคนนี้มูสาไม่เป็นพระองค์บอกว่าอย่างเช่นในกระสีพาระทวาชาสูตร อะพอองศ์บอกว่าพระ อ, องค์ก็เป็นชาวนาชาวนาอะไรไม่มีแอกไม่มีผานไม่มีไถอะไรสักอย่างเอพ้พระองค์ก็ไม่แหน้าตาแบบนี้คนไม่ใช่คนมู้สาว่าอาจจะต้องพูดคนละแนวก็ได้ในในเขาฟังดูก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนี่ประเด็นหนึ่งพันก็เชื่อเลยนะและอีกนายหนึ่งเนี่ยนะก็มีคําถามว่าเอา้าทําไมไม่ขายหลักการไปเลยเขาเขาไม่ไม่อยากฟังไม่อยากอะไรก็ อ, อธิบายให้เขาฟังก่อนสิคือเรื่องราวมันเป็นยังไง บอกว่าบางพวกไม่สนใจแม้แต่จะได้ยินเมื่อไม่สนใจจะได้ยินเนี่ยนะเรียกว่าไปยัดเยียดทำไมเนี่ยคนระับธรรมะนี้พระธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดเข้าไปได้เนี่ยนะไม่ใช่เหมือนกับยัดสตังเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันติดไปเนี่ยนะไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะยัดเยียดแบบนั้นได้เพราะว่ามันพระธรรมเน้นคือการเสริมสร้างคุณธรรมในใจถ้าหากว่าใจมันต่อต้านไม่ยอมรับคุณธรรมสัอย่างเดียวเนี่ยนะข้อปฏิบัติชี้แนะให้มีคุณธรรมก็ไม่มีประโยชน์ นั้นพระองค์ก็เลยต้องคุยกันก่อนให้เขามีใจเขาเรียกว่าให้เปิดใจก่อนเนะเปิดประตูใจที่จะรับเอาคุณธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เลยบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยตถาคตอรหันต์ตรสสัมมาสัมพุทธะยืนยันพระพุทธพุตทตถาคต ก็คือเน้นพระอะไรปุพพเจริาคุณว่าพระองค์นี้สังสมมาเป็นอย่างดีนะอรหันตพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธะก็คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นตรัสรู้แล้วพวกเธอจงสดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมคือพระนิพพานแล้วเราจะแสดงธรรม จากแสดงธรรมคือแสดงทุกข์เพื่อการกำหนดรู้แสดงสมุทัยเพื่อการละแสดงนิโรธเพื่อการทำให้แจ้งแล้วก็แสดงอริยมรรคเพื่อการเจริญเพราะฉะนั้นพวกเธอปฏิบัติหรือเจริญตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทําให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถให้พระปัญจวัคคียินยอมได้ก็คือยอมรับยอมรับลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ยอมเชื่อคื อ, ค อ, คอเรื่อใสเนี่ยนะมีศรัทธาที่จะฟังเรียกว่ายอมเชื่อที่จะฟังก็คือจิตใจนี้ผอ่องใสเรียกว่าเปิดใจที่จะรับฟังอย่างเต็มที่เพราะอะไรเขาเนี่ยโสตลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งเรียกว่าพระผู้เนเจ้าตรัสเช่นใดเขาตั้งใจไว้เพื่อจะเป็นเช่นนั้นเลย เขาคิดไว้แบบนั้นน่ะนะคือการการที่ฟังทำเนี่ยนะคนสมัยนั้นกับสมัยนี้อาจจะความแตกต่างกันคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาฟังทำเพื่อจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเขาฟังเพื่อเป็นแบบนั้นกับสมัยใหม่คือฟังเพื่อเหมือนกับฟังดูหนังฟังละครอ่ะนะคล้ายๆจะทําลักษณะนั้นเออแค่แค่ได้รู้ได้เห็นก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะแค่ได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเพียงพอแล้วดีแล้วเหมือนกับฟังข่าวฟังประกาศอะไรสักอย่างหนึ่ง จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือสมัยสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยเขาฟังเพื่อว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นอะเช่นอะฟังศีลเขาจะต้องมีศีล น, นะฟังศีลเพื่อฟังเพื่อให้ตัวเองมีศีลฟังสมถาวิปัสสนาเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือสมถาวิปัสสนาฟังโสดาปฏิมากรก็เพื่อความเป็นพระโสดาบันคือมีจิตตั้งไว้เพื่อจะเป็นอย่างที่ท่านสอนจริง ๆ, ๆเนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ถูกต้องเพราะว่า ผู้สอนก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงทั้นก็เขาเรียกว่าครูผู้ฝึกก็เป็นครูชั้นยอดสิทธิที่ต้องการจะรับรู้ก็เป็นสิทธิชั้นเลิศเนี่ยนะก็เลยประจวบเหมาะพระพุทธศาสนาจึงมีในโลกด้วยด้วยเหตุเหล่านี้เนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันประชิดไม่ควรเสพก็คือไม่ควรปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติสองอย่างนี้ไม่ต้องไปปฏิบัตินะ ก็คือการมสัสนิการนุโยกการประกอบตนให้พวพันด้วยการมสุขในการทั้งหลายก็คือการแสวงหาความสุขในกามทั้งหลายถือว่าเป็นธรรมะที่เลวเนี่ยนะเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เนี่ยนะจะไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงนะกับอัตตกิละมัานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือสมัยนั้นเนี่ยลับที่นิพพานสุดๆกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าการบำรุงตาให้เอิบอิ่มให้ดูรูปที่ควรจะเห็นบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นบำเรอร่างกายปลนเปลือยอย่างเต็มที่นั่นแหละคือความถูกต้องอันนี้ก็คือสุดๆอีกส่วนหนึ่งว่าไม่ใช่ละก็อีกพวกหนึ่งเขาบอกว่ามันต้องทําตาให้มันเดือดร้อนที่สุดจะทํามันเดือดร้อนได้ ทำหูให้มันเดือดร้อนที่สุดทําจมูกให้มันเดือดร้อนที่สุดทําลิ้นทําร่างกายให้มันร่าหร้อนให้มันเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สร้างความทุกข์ทรมานแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วจะพ้นทุกข์เขาเชื่อปฏิบัติสุดๆแบบสองสายพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปฏิปทาสายกลางมัชชิมาปฏิปทาไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองไม่ไม่เอียงไปหากรร ม, มาสุข และก็ไม่เอนไปหาอัตากิรธมฐานุโยคนั่นตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคืออะไรคือจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาตรัสรู้ด้วยสมถะตรัสรู้ด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดก็คือโลกยิยานและก็โลกุตระยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่ออริยผลนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออริยมรรคเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อพระนิพพานมันข้อปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้องต้องไม่ไม่สุดๆดไปหาการมมาสุขแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่เน้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแต่เป็นข้อปฏิบัติที่เจริญด้วยปัญญาเนี่ยนะทำแล้วปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้น ปัญญาเติบโตขึ้นเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่พระตถาคตเนี่ยตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งโดยชอบโดยถูกต้องก็คือตรัสรู้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเพื่อทาดวงตาให้เกิดธรรมญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูกรพี่สูดทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทําญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นไงมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นอริยสัจโดยชอบถ้าตรงนี้เอาระดับสูงสุดเลยก็คือสัมมาทิฏฐิ ปัญญาที่เห็นอริยสัจโดยชอบสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะก็คือการตร KIM ึกระลึกในอริยสัจโดยชอบนั่นแหละสัมมาวาจาก็การเจรจาโดยชอบก็คือเจรจาตามหลักของอริยสัจเนี่ยนะและ้วก็การงานชอบก็คือการงานที่ไม่ขัดต่อการเห็นอริยสัจแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบก็การสัมมาชีพก็คืออาชีพที <m <m ่เป็นเป็นฐานแห่งการเห็นอริยสัจความพยายามชอบพยายามเพื่อเห็น อริยสัจระลึกชอบก็ระลึกในทุกควรกําหนดรู้โดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเน่ยนะอสุภะอ น, นิจจังทุกขังหรือว่าตั้งจิตไว้ชอบในอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนะต้องประกอบไปด้วยองค์8อัตถังคิโกรคโคเนี่ยนะประกอบไปด้วยองค์8ดเท่านั้นไม่ใช่อันใดอันหนึ่งถ้าอันใดอันหนึ่งก็เหมือนกับอะไรและก็คือไม่ไม่สําเร็จกิจ นันอริยมรรคต้องควบคู่กันประชุมกันอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดธรรมญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานทีนี้ยกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิอันแรกว่าสัมมาทิฏฐิี่รู้อะไรก็รู้อริยสัจ ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกขาริยสัตว์คือชาติพิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชราพิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกพยาที่พิทุกขังแม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกขมรณะพิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกอัปปเยหิสัมปโยโคทุกโขแม้การประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกขปีหิวิปโยโคทุกโขแม้ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็ เป็นทุกยำปิดชังนราพาติตามปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันฑาทุกขาว่าโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งห้าอย่างคือตัวทุกคืออุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกถามว่าอะไรเกิดแก่ก็ขันห้านั่นแหละเกิดขันห้านั่นแหละแก่ขันห้านั่นแหละเจ็บป่วยขันห้านั่นแหละตาย ก็พลัดพรากจากขันอันเป็นที่รักประสบกับขันอันไม่เป็นที่รักปรารถนาขันเหล่าใดก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการนั่นแหละสรุปย่นย่อขันห้านี่แหละคือตัวทุกเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้แรกก็คือตัวทุกขทั้งมวลล้วนก็คือขันห้าถ้าเว้นจากขันห้าจะมีทุกไหมถ้าไม่มีขันห้าก็ไม่มีทุกเพราะขันห้าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งกองทุกขเนี่ยนะท่านรับภาระคือทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตาย ความพ ร, พราดลาดความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพราดพากจากของรักมันก็คือเรื่องของขันห้าโลกของขันห้าทั้งนั้นปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ปรารถนาขันห้านั้นขันห้าคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยนะเพราะถ้าจะไปบอกว่าคนนั้นทุกคนนี้ทุกท ก, ก็พูดกันไม่หวัดไม่ไหวมันย่อๆก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดูก่ารพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขสัมมุทัยอริยสัจเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่า อุปท า, านขันห้าคือทุกขาริยาสัตว์แล้วเหตุทุกขะสมุทัยเนี่ยน ะ, ะแปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดขันห้ามันคืออะไรเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ที่กล่าวไปแล้วคืออะไรก็คือตันหาที่ทําให้เกิดขันห้าอันใหม่ตันหาโปโนพวิกาตันหาที่ตัวก่อสร้างขันห้านั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์นะนะตันหาอันนี้ก็คืออะไรคือความกําหนัดในขันห้าความเพลิดเพลินยิ่งนักในขันห้า มีปกติเพลิดเพลินยิ่งนักในขันห้าอารมณ์ในนั้นก็คือขันห้าเพราะตันหามันไม่มีอะไรมันชอบเกินขันห้าเรามันชอบพันๆอยู่กับขันห้าเพะฉะนั้นตันหาชอบรูปสร้างรูปตันหาเพลิดเพลินในรูปเพื่อสร้างรูปตันหาเพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่อสร้างเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งการมะตันหาภาวะตันหาและ เวภาวะตันหานี่แหลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจพันธ์เยื่อใหญ่ในขันห้านี่แหละคือตัวสร้างขันห้าเหมือนกับว่าถ้าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยนะที่มันเจริญเติบโตอยู่ได้ก็คืออะไรก็อาศัยยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดพันธุ์พืชนี่แหละจึงมีการปลูกพืชขึ้นพืชทั้งหลายจึงปลูกขึ้นฉันใดขันห้าทั้งหลายก็เช่นนั้นดูการพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกข์นิโรธอริยสัจ ทุกข์ในโรคอริยศาสตร์เนี่ยนะก็คือความดับเหตุเกิดแห่งขันห้าคืออะไรก็คือตัณหานั่นแหละดับตัณหาที่จะดับดับได้เพราะอะไรต้องตรัสรูท้ทำเป็นที่ดับแห่งตัณหาคือพระนิพพานตัณหานั่นแหละดับโดยอริยมรรคมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยไม่เหลือด้วยอริยมรรคความสละสละอะไรสละสละความยึดถือหรือว่าสละตัณหาในขันห้าหรือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นที่สละ คืนตันหาพระนิพพานเนี่ยนะเป็นที่ปล่อยตันหาพระนิพพานเป็นที่ไม่ทัวพันด้วยตันหาสัตว์ทั้งหลายที่มีย่งมีตันหานําไปสู่พบใหม่ก็เพราะว่าไม่ตรัสรู้พระนิพพานถ้าเขาแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะขันห้าจะไม่น่ายินดีอีกต่อไปยาวว่าขันห้าอันเป็นของมนุษย์เลยถ้าเห็นพระนิพพานแล้วขันห้าที่เป็นของทิพย์ยังไม่ยินดีขันห้าอันเป็นของพรหมยังไม่ยินดีเลย สิ่งใดที่มันจะเลอเลิบประเสริฐขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยจะไม่ถือว่าขันห้าเป็นของดีแท้จะไม่ถือว่าขันห้าเป็นของดีจริงแต่เนื่องจากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานก็ลังชื่นชมขันห้าสรรเสริญขันห้ายกย่องขันห้าเพื่อจะได้มีขันห้ามันถ้าใครแหมชื่นชมแม่ครัวที่ทํากับข้าวอร่อยเนี่ยนะเพื่อจะได้บอกเลิกว่าต่อไปเธอไม่ต้องทําสองอาหารมาให้ฉันอีกต่อไปใช่ไหม ชมอู้อร่อยอย่างนั้นดีอย่างนี้เกิดมาไม่เคยทานอาหารชนิดนี้เป็นต้นเนี่ยนะชมชมชมชมเพื่อจะบอกวันหลังไม่ต้องทําให้อีกแล้วนะใช่ไหมไม่ก็แปลว่าไอ้ที่ชมเนี่ยถ้ามีวันหลังอีกก็ดีเหมือนกันนะอย่างเง้ยนะที่ที่พูดเนี่ยต้องการอย่างนั้นทั้งนั้นแหละฉันใดตันหาก็ลักษณะนั้นนั่นแหละพันผู้ที่ยังชื่นชมในขันห้าก็เพื่อที่จะสร้างขันห้าพวพัรไว้กับขันห้าเพราะไม่รู้จักสิ่งที่ดีกว่านั้น เพราะไม่ร so ู um. ้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็เปรียบเหมือนว่าผู้ที่ยังไม่รู้จักความสุขในระดับสวรรค์เนี่ยนะพอมาติดในการมาสุขในระดับมนุษย์ก็เพลิดเพลินมัวเมาอย่างเต็มที่เพราะเขาไม่รู้ว่าสวรรค์เนี่ยสุขขนาดไหนผู้ที่สุขในสวรรค์ก็จะไม่รู้หรอกสุขในระดับพรหมโลกขนาดไหนทีนี้ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้พระนิพพานจะไม่รู้หรอกว่าพระนิพพานนั้น สุขขนาดไหนพระ น, นิพพานเนี่ยสุกกว่ากามาสุขของมนุษย์กว่าการมาสุขของเทวดามากกว่าการมาสุขของพรหมเพราะท่านนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สลัดออกจากตันหาหมาคราบว่าหายเมาเลยฟังกันเถอะหายเมาด้วยอำนาจตันหาอนสัสละสละคืนปล่อยบอกว่าไม่อะไรอาวรนกับขันห้าแล้วเพราะว่ามองเห็นขันห้าจะต่างอะไรจากผ้าขี้เิ้วผืนเก่าๆที่รูรั่วเต็มไปหมดเช็ดอะไร ผ้าเช็ดแผลผ้าซับแผลเท่านั้นเองนะนะคือถ้าดูเรียกว่าเมื่อไปเห็นสิ่งที่มันดีกว่าแล้วจะรู้ว่าโอ้ไร้ค่าแท้เนี่ยนะไร้ค่าจริงๆนะแต่ว่าเนื่องจากยังไม่เห็นพระนิพพานอันนี้ก็เกาะไว้ก่อนนะอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่คิดจะปล่อยแล้วก็ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยเพื่อจะปล่อยแต่ถ้าไม่คิดจะปล่อยจริ ง, รงๆนะไม่มีอัธยาศัยเรียกว่าถ้าไม่มีนิสรณอัธยาศัยบุคคลจะตระสรู้พระนิพพานไม่ได้จะต้องมี นิสรณัตทยาศัยอัธยาศัยที่จะแทงตลอดพระนิพพานวันนี้ยังไม่แทงตลอดอนาคตต่อไปก็จะแทงตลอดได้แต่ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้แทงตลอดพระนิพพา น, นนั้นดูก่อนพิสูจน์ทางหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขนิโรธาคามิหนีปฏิปทาอาริยสัจเนี่ยนะคือความจริงแท้ของพระอริยะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ดําเนินไปเพื่อทํานิโรธ คือพระนิพพานให้แจ้งคือสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นทุกข์ด้วยปริญญาเห็นสมุทัยด้วยปะหานะเห็นนิโรดด้วยสัจจิกิริยาเห็นมากด้วยภาวนาเนี่ยนะสัมมาทิฐิที่เห็นอย่างนี้สัมมาสังกัปปะที่สัมปยุทธ์ที่ประกอบพร้อมกับสัมมาทิฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นที่เห็น อริยสัจเนี่ยนะทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานที่กล่าวไปแล้วให้แจมแจ้งเจริญอริยมรรคคุณธรรมเปี่ยมระดับอรหัตตมรรคนั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกพ้นจากอะไรพ้นจากความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าแทงตลอดอริยสัจหนึ่งทีนะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในนรกเปรตอสุรกายและเดรัชานมนุษย์เป็นต้นในภพที่8ถ้าเจริญอริยมรยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แเห็นอริยสัจเป็นครั้งที่สองก็ถือว่าพ้นจาก มนุษย์ในภพที่สองเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แทงตลอดอริยสัจก็จะพ้นจากความทุกข์คือเกิดในกรรมพบถ้าเจริญจนได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับอรหัตตมรรคก็พ้นจากการเกิดในระดับไหนในวัตตะทั้งสิ้นเนี่ยนะในภพทั้งปวงน ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาริยาสัตว์ทุกขาริยาสัตว์นั่นแหลเป็นธรรมที่ปริญยยธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้เนี่ยนะความเกิดแก่เจ็บตายความพลาดพลาดจากของรักความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักปรารถนาไม่สมหวังก็อ่าก็เป็นทุกข์หรือขันห้าคือตัวทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรรอบรู้นะ ควรรับรู้ตามสภาพที่มันจริงอะ่ะมันจริงแค่ไหนควรจะรู้ให้มันจริงแท้ๆในสิ่งนั้นเสร็จแล้วบอกว่าทุกขาริยศาสตร์นี้แหละเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วไม่มีขันไหนไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดรอบรู้เนี่ยนะคือคําว่ากําหนดเสร็จหรือไม่เสร็จเข้าอะไรเป็นเครื่องวัดใครกว่าถ้ายังคล่องใจอยู่นะแสดงว่ายังทําสิ่งนั้นไม่เสร็จถ้าไม่แล้วใจอ่นะอะไรแปลว่า เขาบอกถ้าไม่แล้วใจถ้ายังไม่เสร็จใจยังคาใจอยู่ได้นั่นแปลว่ายังไม่เสร็จหรือสิ่งใดที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็าแปลว่าอันนั้นยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่มีขันไหนที่พระองค์ไม่ได้กำหนดรู้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องกำหนดรู้ะนะ กิจอื่นเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยเป็นต้นไม่มีกิจเพื่อจะกําหนดรู้ทุกแบบเพื่อรหัตมรคไม่มีมีแต่กําหนดรู้เพื่อเข้าสมาบัตเท่านั้นเองไม่มีการกําหนดรู้เพื่อเพื่อทําที่สุดแห่งทุกขเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าทุกขาอริยสัตเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้แล้วพระองค์ก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือก็เลยผู้ที่กําหนดรู้ทุกเสร็จแล้วนี่เรียกอาเซ ค, ค่ะ อันนั้นอาเซขะผู้มีการศึกษาเสร็จแล้วจบการศึกษาแล้วแต่ถ้าบอกว่าทุกคนกำหนดรู้ใครที่ยังกำหนดรู้ทุกอยู่ก็เรียกว่าเป็นพระเซขะเนี่ย น, นะ